โราณคือว่าดิงน้ํำไฟลมเนี่ยมันมั น, มนแตกตัวแล้วมันก็แตกดับไปแต่ว่าเรื่องมไปสิ้นสุดที่การหมดลมแต่ว่าหมดลมแล้วเนี่ยไม่ได้แต่ว่าตายสนิท ต, ตายสมบูรณ์นะมันยังมีกระบวนการอีกขั้นหนึ่งก็คือการแตกดับทางจิตต่อเมื่อการแตกดับทางจิตเนี่ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เกณเกียวคนคนั้นเนี่ยตายตายสนิทอันนี้มันก็แต่ตางจากเพราะใกล้ตายหรือความตายนนเนี่มองแทรซึ่งจะมีตัวชี้วัดประการเดียวคืออาการทางกายตอนสมัยก่อนก็หมดลมต่อมาก็หัวใจหยดเต้น ต, ตอนหลังหรือตอนนี้ก็เอาสมองตายเปเกณ์และสมองตายเนี่ยก็ยังถกเทียงกันว่ามัน มันอาจจะยังไม่ละเอียดพอต่อไปก็จะมีอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดตัวใหม่แต่ที่จริงเนี่ยนะเราคงทราบดีแล้วว่าแม้แกระทั่งคนที่หมดลมปจะจุดเต็นสมองตายเนี่ยนะหรือว่าคนที่เรียกว่าหมอที่จตายแล้วเนี่ยนไะอความเปลี่ยนแปลงทางกายยังเกิดขึ้นนะเช่นขนอาจจะยังมอกอยู่ นะเล็กก็อา จ, จะยังมอกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณถึงว่าตายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปิดสวิตช์นะแล้วมันก็ไม่มีเส้นแบบที่ชัดเจนนี่เฉพาะการตายทางการแพทย์การตายทางทางร่างกา ย, ยมันเป็นมันเป็นแค่สเปกตรัมมันเป็นโปรเซสมากกว่าเป็นเป็นเป็นขั้นตอนเังนคนที่เลาเห็นว่าตายไปแล้วเนี่ยแม้จะมองในมุมมองทางการแพทย์เนี่ยมันก็ยังมีการเติบโตทางกาย เช่นผมงอกนะเล็กงอกอยู่แต่แม้กันนั้นเนี่ยนะจะมองแต่ความเป็นไปทางกายก็ไม่พอนะต้องดูที่การแต่กับทางจิบด้วยถ้าตีไม่แต่งดับก็หมายความว่าการรักหูยังเกิดขึ้นได้แม้สมองจะไม่ทํางานแนละ้วไอ้เรื่องนี้เกิเป็นเรื่องแปลกนะมันเคยมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะจมน้ำอยู่ เจ็ดนิดเ7ขวบวจมน้าอยู่เป็นน้าเนื่องจากอากาศมันหนาวมากจมยี่สิบนาทีเอาขึ้นมาเนี่ยหัวใจยังเต้นนะคืออะก็เรียกว่าไฮโปเทอร์เมียเนี่ยถ้ามันหนาวมากๆเนี่ยมันก็ช่วยชะลอชะลอความเสื่อมของร่างกายัวทงสมองด้วยแต่เราขึ้นมานสมองเนี่ยเพราะว่าเด็กสมองบวมเลือดป็นกรดสูง มาตานขยายไม่สนองต่อแสงเนี่ยมันก็แปลว่าอะไรสมองตา ย, ยหมอก็บอกแม่ว่าให้ทําใจน้สามวันต่อมาเขา่าเด็กฟื้นนะไม่ได้ฟื้นแบบคนไม่รู้เรื่องนะฟื้นเหมือนคนปกติแล้วคุยรู้เรื่องท้กอย่างมีช่วงหนึ่งกำลังคุยกับแม่อยู่แม่ก็ดีใจลูกหอดตายหมอก็เข้ามาตรวจร่างกายใหญ่สภาพหมอออกไป เด็กก็บอกแมวเนี่ยไอตอนที่สลบเนี่ยนะจริงๆไม่สลบหรอกนะตอนนั้นมั น, ม, นมันนี่กว่าสลบนยเขาเห็นหมอคนเนี้ยแล้วบอกเนี่ยมีหมออี่สองคนที่มาหาเขาตอนที่เขาโค ม, มา่าหรือสลบเนี่ยคนนึ่มีหนวดไม่มีหนวดเนี่ยเดกคนนั้ไม่มีหนว ด, นนนวดแล้วเด็กก็บรรยายสภาพห้องีอไอที่ถูก หมอนี่งงอยู่แลนะ้วคำถามคือเดกเห็นได้งยังไง น, นนะสมองเด็กก็แย่แล้วนะมันแปเวาอะไรก็เด็กมันต้องเห็นด้วยด้วยด้วยสิ่งอื่นนะซึ่งเราจะได้สื่อถอดจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยถ้ามันยังไม่ตับเนี่ยนะมันก็ยังรับรู้ได้เห็นแล้วก็ได้ยินต้องการจะรู้สึก รู้สึกสุขทุกเมื่อเห็นพ่อแม่หรือลูกหลานร้องของร้องไห้หรือทะเลาะเบาะแว้งกันก็ได้นะเลอตกใจที่มาโกตัตเยนตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนรักของเราเกิดหมดลมหมอบอกว่าตายแล้วก็ให้เราลึกว่าเขาจะยังรับรู้ได้อันนี้คือโอกาสทองที่เราจะได้นำเขา ให้จิตเป็นกุศลนะให้เขายอมรับว่าเขาตายไปแล้วให้เขาปล่อยวางทุกสิ่งให้เขานึกถึงสิ่งดีงามนะเพื่อจะได้ไปสู่สุคติอันนี้ชอบพูดเราเชื่อว่ามันมีมันมีพบหลังตายมันไม่ได้จบตรงที่ว่าตายร่างกายนอกเปลือและทุกอย่างจบมันยังมี ตอนต่อไปอีกซึ่งจะไปดีหรือไปไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของจิตโดยเฉพาะตรงที่เขาบอกจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายมันก็มีคำเรียกอยู่หลายคำนะที่ใกล้เคยียงกันเช่นจุดจิตจิตมรณาสัญนวิธีหรื อ, อคํานึงอาสนากรรมอาสนกรรมคืกรรมจนเจนกรรมใกล้ตาย ขึ้เป็นตัวชี้ขาดว่าตายแล้วเนี่ยจะไปไหนไปสุคติหรือทุคติถ้าจิตเป็นอกุศลก็ไปทุคติก็จิตเป็นกุศลก็ไปสุคติจิตเป็นอกุศลใช่ใอะไรบ้างาเช่นห่วงหาอะไรห่วงแห่ทรัพย์สมบัติอย่างในสมัยพุทธกาลมีพรามคนนึ่งนะชื่อทุนทัพพราม์กันรวยมากตอนจะตายก็ห่วงแก็ห่วงทรัพย์ ตายปุ๊กนี่ไอ้จิตสุดท้ายนะ่มันจิตที่ไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวชาบสมบัติด้วยความอาลัยของกูของกูงกไม่อยอมปล่อยก็ตายปุ๊บนี่ไปเกิดในท้องหมาในบ้านเลยเกิด ใ, ในท้องหมานี่คือทุกขติษนะทายร่วมยังไงท่านได้ท่านป่วยนะแล้วก็ท่านก็ได้จีวันใหม่จากพี่สาวเป็นดีวร น, นด้ดี พ้าสมัยก่อนเนี่ยจีวรเนี่ยเป็นของหายากมันยีงเกิดประเพณีทอดผ้าป่าทอดกรินเนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพัง เ, เพราะในงานเราก็ต้องไปเก็กบเอามากศพผ้าหอ่อศพไปเ ก, ก็บจากขยะจึงเลือกผ้าองสุกุลผ้าพื้นฝุน่นนี้นั่นได้จีวรใหม่มา ก, ก็ดีใจแต่ว่าไม่ทันได้ของจีวรก็มรณน้าผ้าหมดลงจิตสุดท้ายท่านเนี่ยไปกอบอยู่ที่ จีวนนะรนั้นด้วยความเสียดายเสียดายที่ไม่ได้ครองอาจจะเสียใจที่ไม่ได้สนองศรัทธาที่สาวตายพวกนี้ไปเลยนะจะเกิดเป็นเลนใน ใ, ใ, ในในในในผ้าจีวรผืนนั้นนะนะปกติพระตายนะนาเนี่ยมรณะพานเนี่ยทรัพย์สมบัติของพระก็จะตกเป็นของสงฆ์เช่นจีวรก็ต้องมองให้คนอื่นต่อไปบานนะ แต่ในกรณีพูทเจ้าเนี่ยบอกพระว่าเนี่ยเพิ่ไปแตกต้องกี่วรถือ น, นี้นะเพราะอะไรเพราะว่าพรงรั่วเนี่ยถ้าเกิดคนไปแตกท้องจีวรผื น, นนี้เอเลนมันจะโกรธของกูของกูเดี๋ยวจะไปอบายนะไม่ต้องยุง่งพอครบเจ็ดวันเลนเอเลนมันหมดอายุขไขตายก็ไปเกิดกนในสวรรค์เพราะความดีที่ได้ทํา คือกรรมในพุทธศาสนาที่มันส่งผลนะกรรมแต่กรรมบางอย่างเนี่ยให้ผลเร็วกรรมบา ง, างให้ผลช้ากรรมที่ให้ผลเร็วเนี่ยคืออสาสนกรรมทําพุ๊บให้ผลพับเลยทําชั่วแต่อสาสนกรรมเนี่ยเป็นกรรมดีนะไปสุคตินะทําดีแต่อสาสนกรรมเนี่ยเป็นกรรุศล น, นะไปสุคตินะอย่างพา้าลูกเนี่ยท่านก็ไม่ไ้เป็นพ้าที่ท่านเป็นพ้าเรียบร้อยเนะแต่พอตายปุ๊บนี่ไปเลยนะ ทุกติเพราะว่า อ, สอสาสนะกรรมเป็นกุศลจากความดีที่ได้ทำเนี่ยก่อนตายเนี่ยมันไม่ได้สุดสุดปล่าเนมันก็ส่งผลตามมามาทีหลังพระเจ้าเปลืออาสนะกรรมเนี่ยเปรียบเหมือนแบบวัวที่มันถูกขังอยู่ในคอกแล้วเมื่อเปิดประตูคอกเนี่ยนะไอ้วัวตัวที่อยู่ใกล้ประตูมากที่สุดก็จะออกก่อนแม้ว่ามันจะเป็นวัวแก่หรือเป็นวัวเด็กอันนี้ก็หมายความว่าอสาสนะกรรมเนี่ยนะมันจะส่งผลก่อน เปลี่ยบง่างากับสีแยกนะรถเนี่ยติดไฟแดงถ้าเกิดว่ารถคันแรกสุดเนี่ยมันเป็นแม้มันจะเป็นรถจักรยานสามล้อถีแต่พอไฟแรงเปเป็นบบไฟเขียวปุ๊กเนี่ยนะให้รถคันนี้ออกก่อนแต่ออกไปได้สั่พักเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์แซงเดี๋ยวสิบล้อแซงแต่ออกก่อนเนี่ยคือรถคันแรกที่อยู่ ใกล้ไฟแดงที่สุดน้วมันจะเป็นรถสองแถวหรือรถจักรยานก็แล้วแต่เพราะเห็นนี้เนี่ยมันจะมีมีธรรมเนียมในหมู่ชาวพุทธว่าเมื่อคนใกล้าตายเนี่ยก็จะมีการน้อมนำจิตผู้ใกล้าตายคื่อทำถามผู้ใกล้าตายอบางทีก็ใช้คำว่าบอกอราหังเพราะว่าปกติ การนำทําผู้ไขตายเนก็จะเป็นการนอดใจให้คนที่ถึงพระรัตนตรหรือพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีการคล้ยๆว่าสวดมนต์หรือว่าบอกให้เราได้ถึงพรุทธเจ้าก็คืออารหังสัมมาสัมพุโทโธมันก็ปลอมไปหรือสั้นๆก็คือบอกอารหารังอารหันี่ไม่ใช่พระอารหารันนะแต่มันพระ เ, เจ้าให้เรารู้ถึงพระพุทธเจ้าก่อนตายชาวชาวพุท้เนี่ยพอได้ถึงพรพุทธเจ้าเนี่ยจิตก็จะเกิดกุศลเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนไทย กลชิกกับวัดใิกพระกลชิกกับพระรัตนตรยอย่างน้อยก็มั่นใจในอนุภาพของท่านแม้จะปวดแม้จะทุรนทุ ร, รายจาพาะคนถือรูเจ้านเนี่ยศรัท ธ, ธาเกิดจิตเป็นกุศลก็ถ้าไปตอนนั้นก็ไปดีนั้นเวลาคนใกล้าตายเนี่ยในธรรมเนียมไทยเนี่ยนะ<ม>ก็จะมีการนะสร้างบรรยากาศเพื่อให้ใจน้อมเนี่ยไปในทางที่เป็นกุศล มีการนำทางผู้ใกล้ตายบอกอาระหังรวมทั้งไม่ให้คนมาร้องผมร้องไห้ญาติอ่ะคุณเทิของพระเจ้าพุทธทาสเนี่ยนะตอนจะตายเนี่ยพอรู้จะตายท่านก็งดงดยาแล้วก็งดอาหารแต่ตอนจะตายเนี่ยก็ให้ลูกหลานเนี่ยขยุงตัวขึ้นมาทิงเสานั่งทิงเสาสั่งเสียลูกหลานถ้ามีหลานก็ยิงมาร้องผมร้องไห้ท่านไล่กระเพื่อมเลย ไม่ต้องไปร้องไห้ที่อื่นบรรยากาศต้องสงบแล้วก็มีคนน้อมให้ไดถึงระกา น, นันตายหรือบางทีเจ้าตัวเองก็สวดเองเลยสวดบนเองเแต่ในกรณีนี้นก็มีคนน้อมอันนี้ซึ่งต่างจากทรรมเนียมสมัยใหม่นะคนใกล้ตา ย, นยในโรงพยบาบาลเนี่ยจะเป็นยนะังไงกลัลาบลเลยนะมาลง ม, มาตุ้มเงินนะมัน ต, ตรงข้าม น, นะเพราะว่ามองคนละมุม การรักษาในหมายคนใกล้ตายก็ต้องเชื่อวนยืดให้อยู่นานที่สุดทํากับร่างกายแม้จะอินเวสีหรือแมาจะแหลงแค่ไหนก็อเอาปั้มหัวใจกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพราะนองแต่เรื่องของกายทําให้กายมันอยู่ได้นานที่สุดแต่ธรรมเนียมพูดเนะนี่ยนะเลในเรื่องใจทําให้ใจสงบมากที่สุดใครมาล้องหังล่องห้างก็ตายที่อื่นจนมีธรรมเนียมว่าอย่าให้น้ําตาเนี่ยมาถูกต้อง ร่างกายบางคนใกล้าตายเนี่ยอันนี้เป็นทรรมเนียมว่าคนก็เชื่อนว่าถ้าทํานี่เนี่ยคนใกล้าตายตายแล้วจะไปอบายบางทีก็ไม่รู้ความหมายความหมายคือว่าอย่าให้คนใกล้าตายเขาเห็นคนรอบข้างมารอ้รองห่มร้องไห้ใจก็จะไม่ดีเขาจะห่วงห่วงแล้วก็ถ้าตายตอนนั้นก็ไปไม่ดีแต่ถ้าเป็นร้องน้ําตาที่เรียกว่าพื้นปิดติดยินทางน้ําตาเนี่ยอันเนี้ยาจจะมองวาโอเคนะ ยิ้มทำน้ำตาเพราะว่าเห็นคนรักของตนไปสงบนะเพราะมันเป็นของมีค่าที่สุดนะต่อที่มนุษย์คนยังจะคุ้ได้รับนะเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ น, นนะคือตายสงบตายสวยตายดีก็จบสวยนาเนี่ยมันจะทําหวยแค่ไหนก็ตานะขอจบสวยเนี่ยเปนเจ้ปรับใจใช่ไม่มแต่ทาดีแค่ไหนจบไม้สวยนะคนก็ลืมใช่ไหมชี่ิคนเราก็เหมือนกันนะยังไง อย่าให้ให้ให้ถึงว่าให้มันจบสวยนะคือตายดีตายสงบนะแต่ถ้าดีเนี่ยตอนอยู่ก็ดีด้วยงามด้วยนะแต่ถ้าดีแล้วงามไม่ได้ก็ให้มันจบสวยก็ตังนะเนี่ยตอนนี้คำถามค่ะถ้าเกิกรณีสมมติว่าตอนจบมันไม่ค่อยสวยอย่างเงี้ยค่ะแล้วจิตเขาจะไปอบายไม่สวยคืออะไรไม่รู้ว่าอย่างเช่นทุรนทุรายเราก็ชื่อยไปอะไรถ้าหาวาจิตสุดท้ายนี่นะเป็นอกุศล แต่ถ้าสมมติมาตอนต้นพระอาจารย์บอกว่ามันมีแตกดับทางกายทางจิตใช่ไหยคะสมมุติกายเนี่ยทุรนทุลายแต่จิตเขายังไม่ไปเกิดหอหมายถึงว่ายังจิตเขายังเพิ่องออกมาจากกายเนี่ยคะ่ะจังหวะแบบเนี้ยเราเปลี่ยนได้ไหมไเปลี่ยนคุณค่ า, าได้ไหมคะได้ก็ถึบอกเนี่ว่าตอนที่เขาตอนที่เขาหมดลมเนี่ยนะเราต้องช่วยช่้างบรรยากาศแล้วก็ น, น้อมใจเขาซึ่งเราเชื่อว่าเขาเราับรู้ได้ เพราะจิตเ่อไม่แตกดับคนป่วยด้วยโรคด้วยโรคด้วยโรคเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าจะแตกดับอาจจะเป็นวันทางที่เบลก็เชื่อคนที่ตายเพราะอุบัติเหตุเนี่ยจิตมันจะแตกดับเนี่ยหมดไปเนี่ยภายในหลักคึ่งชั่วโมงนั่นหมายความว่าต่อให้เราไปไม่ทันไปดูใจไม่ทันหรือคนไข้เสียไปแล้วแต่ว่ายังแบบเสียชีวิตใหม่ๆเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำอะไรให้เขาได้ได้แล้วก็ช่วยเหมือนกับว่าช่วยน้องนําให้คนจิตเขาเป็นกุศลได้ ทางที่เบสไี่เชื่อขนายว่าคือเขาเชื่อนะว่าพอจิตดับแล้วเนี่ยนะมันยมีช่วงหนึ่งที่ยังไม่ไปเกิดเขาเรียกาบ า, าร์โดก็เลยอนตรับพบคือช่วงช่องว่างระหว่างพบกับพบใหม่อนช่วงเนี้ยยังมีโอกาสบรรลุธรรมได้อืเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างเดียวที่ยังไม่ไปเกิดใหม่นะอืมโอกาสที่จะบรรลุธรรมนี่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดประเพณีเรียกว่าสาวเทยายธรรมให้ผู้ตายฟัง <im itation> ด้วยการอ่านคําพิมรณะสาะนี่เขาเชื่อขนาดยังไงนะว่ามันจะมีโอกาสาตามใจที่ยังไม่ไปเกิด น, นะนคือเกิดในที่นี้หมายถึงว่าเกิดในสุ ก, กเตกันได้ทุกเตกันได้ทุกเต ก, ก็อาจจะนรกตามแต่ที่ไม่ไปเกิดเนี่ยนะยังมีโอกาสบรรลุธรรมเพาเนี่ยเขาจะมีการสวดให้ศพฟังอ่านคํำพีให้ศพฟังนะแล้วก็เลยเกิดประเพณีทําบุญสี่สเก้าวัน และใครเรารับมาเป็นประเพณีทางบุญ50วันอันนี้เนี่ยมันเมาจากมาลายันทำบุญ50วันเนี่ยนะของไทยเกิดสมัยรัตนที่5นี่เองครับแล้วอย่ากรณีที่อุบัติเหตุแล้วคนเขาเข้าไปทำที่ที่ตรงที่เกิดเหตุเนี่ยมันมันเป็นความหมายเดียวกันไหมคะว่าจิตกาจะยังอยู่ตรงนั้นนรือนะเคลื่อนคลายนะคือเคลืคลายว่าจิตเขา ย, ยังไม่รู้ว่าเาตายแล้วใช่ไหมก็บอก่อยใหเขเนี่ยรู้ว่ ตายแล้วนะให้ปล่อยวางให้ทิ้งล่างด้วยไ ป, ไปให้ทิ้งให้ปล่อยวางครอบครัวรต่างๆซะเนี่ยอันนี้ความหมายอาจจะใกล้กันตรงนี้นะแต่ว่าของที่อื่นก็จะมองว่าผลจิตเครือขีดจำวนเวยนน็นล <c oughs> ซึ่งไปไมไปได้ว่าไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่เป็นผีผีในที่นี้เนี่ยเป็นผีผีผนี่เป็นภราชาบ้านนะ ถ้พูดกันมาว่าจะเป็นเทวดาเขาไดพวกเจ้าพวกเนี้ยเจ้าตามปากเขาเนี้ยก็เป็นเทวดาอแต่บางทีเราก็เรียกว่าผีใช่ไหมเปรยก็เป็นผีนะคือผีของไทยเนี่ยเราคลุมมากเลยเทวดาก็ใช่เปรยก็ใช่สุรกรามก็ใช่ใช่ไหมอามนุษย์จะพูดง่ายดัง้นพวกที่เป็นเจ้านะเจ้าป่ากเจ้าขาวเนี่ยก็เป็นผีถ้ากก็เรียกว่าผีแต่เป็นเทวดาในในพุทธศาสนาลูกนี่ว่าลูกของเทวดา แล้เนี่ยแต่ว่าคนที่ตายเพราะอุบัติเหตุเนี่ยก็คิดว่าตายเพราะจิตใจกุศลก็อาจจะเป็นเปรตอสุรกายก็ จ, จะวนเวียนอยีกแถวหนึ่งคือมันก็จะมีความก็มจะมีอะไรที่คอนเนคอยู่กับสถานที่ตายหรือว่าคนที่อยู่กับครอบครัวเดิมที่มีบางคนอาจจะเห็นผีมาอยู่หน้าบ้านใช่่ไหมตอะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผีที่เป็นเพราว่าที่ว่าไม่เป็นฝุ่นนุ่นเด็กเกิด อาจจะไม่ใช่เขาจะไปเกิดแล้วแต่ไปเกิดในพหุภูมิที่อาจจะเป็นสุกติก็ได้ใช่ไหมเจ้บอลที่ไม่ผุด ไ, ไ, ไม่เกิดจริงเกิดแล้วแต่เป็นทุกติมี เ, เป็นทุกติพบเราต้องแย่เข้าไปเกิดเป็นมนุษย์พราะมนุษย์เป็นสุกตินะและว้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดเนี่ยการการน้อนใจผู้ใกล้ตายเนี่ยหรือแม่ตายไปแล้วเนี่ยนะ ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะช่วยเขาได้นะและมันก็เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าคนที่ทําความดีมาเนี่ย <c oughs> ตอนจะตายเนี่ยหวกรูปวงลาเนี่ย <c oughs> นอกจากทุรนทุรายก่อนตายแล้วเนี่ยตายแล้วจะไปอะไรห่วงทรัพย์เนี่ยตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลน <c oughs> ใช่ไหมหรือแม้ทั่งรู้สึกผิดนะอาจารย์สิงห์ทองได้เล่าให้ อาจารย์คุณหมอมาลาฟังนี่แม่ชีคนหนึงเนี่ยแจ่มเนคนเคร่งศีลมากโศีลห้าไม่ให้กกโตก่่องวันนึงสักเสื้อสักจีวรเห็นหมดตายอยู่ในกรลมังโอ้โหเสียใจมากหมดอหมอเลนะหเรานี่ทามดตายเสียขาแล้วที่จริงไม่ได้เจตนาสีไม่ขานะก็คิดอยู่แต่เรื่องนี้นะแล้วก็เกิดหัวใจวาย ตนะายอาจารย์ชิงทองเนี่ยไอ้มดตัวเล็กๆเนี่ยมันฉุดแม่ชีลงกระบายเนีลยแม่ชีที่ ท, ทําดีรักษาสีเนี่นะที่เขาจะบอกว่าเนี่ยไอ้การยึดมั่นถือมั่นแม้กระทังศีเนี่นะมันก็เป็นโทษนะความดียึดมั่นถือมันม่นนะเมื่อไหรเนี่ยความเป็นโทษนะอันนี้เรายึดมั่นถือมั่นด้วยความไม่เข้าใจด้วยความเข้าใจผิดนะ ในสายพุทธกาลเนี่ยมีพี่มีมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศล น, นะชื่อนางมิลกาเทวีนะเป็นคนที่ดีมากและฉลาดสามารถจะน้อมใจให้พระเจ้าปรสิทโกศลหันมาสนใจพุทธศาสนาแล้วก็เลิกการบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์เระเกประสิทธิโกศล น, นี่แกเจ้าเวนิโคนนะต้องหูเบา แล้วก็แต่ว่าตอนน่อหลักก็อามาสนใจเรื่องศาสนามีธรรมมากขึ้นมันก็มีตอนหนี่งแต่ว่านางมาริการตีเนี่ยอายุสั้นอายุแค่สาสิบต้นต้นแล้วก็ตายอย่างปัจจุบันทันด่วนตอนที่ตายเนี่ยเธอไปนึกถึงเหตุการณ์ที่ทำไม่ดีไม่ไม่ทำไม่ดีน่าละอายนะพระจ้ามาสิพระสิคร ส, สนเห็นแต่นางก็วัย ก็พูดทำร้อ ง, งว่าพระเจ้าเศรีโกศลตายฝ่าพ mm hmm. ระเจ้าเศรีโกศลก็เชื่อนางก็รอดตัวไปแต่ตอนจะตายเนี่ยเป็นที่อจริเหตุการณ์นั้นด้วยความรู้สึกผิดเพราะว่าจะโกหกอ่ะที่จริงมันก็เรืมเล็กน้อยนะแต่ว่ามันเป็นมุสาวา่าจ mm hmm. จิตทองนางไม่เศร้าหมองแล้วก็เป็นจิตสุดท้ายที่ไปยึดเอาอารมณ์เศร้าหมองนี้ไว้ตายปุ๊บนี่ ไปนนรกเลยฟังคแค่นี้นี่บางทีเราก็อาจจะเอจใจทำไมคนดีถึงตกนรกมันมีนะครับคนดีตกนรกคนผิดศีลขึ้นสวรรค์นะนีะ่แต่เรื่องนี้มันมีรายละเอียดนะมันไม่ใช่แค่พูดเท่านี้แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องต่อนะคว่าพระเจ้ามเหสีกฤษณ์เนี่ยรักนางมาก อยากจะรู้ว่านางตายแล้วไปไหนพอรุ่งขึ้นก็ไปหาผู้เจ้าผู้เจ้ารู้เลยนะถ้าตอบว่านางอยู่ในนรกเนี่ยพระเจ้าเกษตรกรสนจะเสียใจแล้วก็จะคลางแคลงว่าท ำ, ทำไมทำดีดไม่ได้ดีใช่ไหม <c oughs> ต่อไปเนี่ยนะมันเป็นโทษแต่ถ้าโกหกก็ผิดแล้วจะทำยังไงพู้เจ้าก็บันดาลให้พระเจ้าเกษปรกรสนลืมถาม มาแล้วลืมถามแก้ปัญหากลับไปกลับไปถึงราชวังนึกขึ้นมาได้วันที่สองไปใหม่ลืมอีกอเป็นเงี้ยติเจ็ดนะวันนวบางทีผมลืมถามอะไรขึ้นมาอาจจะเป็นพรวันที่แปดนะเนื่องจากนางเนี่ยคือสวรนะแล้ว ขึ้นสวรรค์แล้วความดีที่ทำเนี่ยอนะนะความดีที่ทําไม่เคยสูญเปล่าเพียงแต่ว่าจะออกผลชา้าเร็วนะนะไปแล้วไปสวรรค์แล้วคราวนี้พระเจ้าเป็นศรีปรสนจะไปถามอีกคราวนี้จําได้ว่าจะถามอะไรพระเจ้าก็ตอบว่ า, ต อ, วาตอนนี้นามอยู่บนสวรรค์แล้เป็นเพทพทิดาหรือเป็นเทพประมุนพระเจ้งเป็นศรีประสนก็ปลื้มคือพระเจ้าก็รู้นะพูดความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่า คนมันจะเข้าใจเรื่องนี้ปกติภาคก็ไม่ค่อยพูดมากนะเพราะเดีนคนเดี๋ยวใครทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีใช่ไหมมันมันอยู่ที่ว่าไอ้สิ่งที่เราไอ้วิบาก ท, ที่เราเจอเนี่ยมันเกิดจากกรรมแบบไหนอาจจะไม่เกี่ยวกับกรรมที่ดีอาจจะเกี่ยวกับรรมที่ไม่ดีการที่วางใจไม่ถูกเนี่ยนะมันก็เป็นกรรมที่ไม่ดีเหมือนกันจนะไ่นึกถึงไปนึกถึงสิ่งที่ทําให้เกิด อกุศลในใจเสียดายอะไราอาวรเศร้าโศกรู้สึกผิดโกรธแค้นอะเรให้ <c oughs> เราต้องถ้าเราเนี่ยต้องการไปดีนะเลยต้องต้องพยายามสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อทำให้ใจเนี่ยมันเป็นกุศลเริ่มจากการทำความดีนะแล้วก็ไม่มีไม่มีไม่ทำชั่วอันนี้เป็นหลักประกันท่านแรกเลยนะอย่างที่พระเจ้าเนี่ยท่านเคย กล่าสมัยที่เป็นพรโพธิสัตว์ว่าเนี่ยเมื่อตั้งบันไดาำเจ้าไม่กลัวปอดโลนะคือเจ้าไม่กลัวตายหรือว่าเมื่อท่านปอดโลตัวเองเราไม่เคยทําช่วยในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงอันนี้ท่านปอดโลตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เมื่อเคยทําช่วยในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงอันนี้เป็นการทําความดีเป็นความช่วอย่างมันเป็นอลักประกันให้ไปดีแต่คนเราเนี่ยนะก็ต้องมีโอกาสที่จะทําไม่ดีบ้าง บางทีก็เป็นความดีความไม่ดีเล็ก ๆ, ๆน้อยๆบางทีมันเนความน้าละอายนั่นเองมันไม่ได้ผิดศีลอะไรเลยนะบางทีเรากำลังโกหกนะหรือบางทีเราก็อาจจะเผลอ ท, ทําผิดทำพลาดแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาตอนไหนถ้าเกิดเราไม่ได้เคลียร์เช่นถาเราจะขับรถทับแมวตายฉะ่ไหมขับรถทําแมวตายเนี่ยนะหร้ว่าจจะเคยขึ้นเสียงกับผู้ระกาศเลยนะตอนที่ท่านป่วยมันไม่ได้ใหญ่โตนะ แต่ว่ามันค้างในใจแล้วเรารู้สึกแย่แล้วตอนจะตายเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาให้่ยทำยังไงตอนนี้แหละต้องมีสติแล้วต้องรู้ทันนะเห็นเห็นรู้ทันอารมณ์เช่นความโกรธความรู้สึกผิดที่มันเกิดขึ้นรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเราไม่รู้ว่าเราเคยทำอะไรไม่ดีไว้และเราก็ลืมไปเลย โอเคถ้าไม่ลืมนี่ว่เราอาจะไปขอโทษลาจจะไปทำบุญอยู่ที่ให้เขาแต่เมื่อกี้เราลืมแล้วมันโผมาพอที่จะตายเนี่ยจิตนี่นะมันต้องตระหนักนะจิตคนเราเนี่ยทำอะไรไปแล้วเนี่ยเจออะไรไปแล้วเนี่ยไม่เคยลืมนะไม่เคยหายมันอยู่ในมันอยู่ในจิตส่วนลึกมันเหมือนกับฮาร์ดไดรฟ์ที่มันเก็บทุกอย่างไวนะ้ คอมมิเตอร์ของเราเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นน่กับข้อมอะไรผ่านเข้ามาในคอมเนี่ยมั น, ม, นมันเก็บไว้หมดนะก็ mm hmm. ถ้ากล่องําแต่มันที่ของกล่องดำมันเก็บทุกอย่างเลยไม่ว่ากลิ่นที่ ไ, ได้กลิ่นที่ได้รับเสียงที่ได้ยินภาพที่ได้เห็นความรู้สึกที่ปรากฏเขาเรียกจิตส่วนนี้ว่า อ, รอารยวิญญาณอารย์แปล่ที่อยู่อารยนะพิธีอารย์คอที่ของความอะไรที่วิญญาณคือก า, ญญาอรสตอญญร์เรจที่เก็บครังเก็บข้อมูลประสบการณ์ทุกอย่าง แล้วตอนถ้ามันมีอะไรมกระตุกเนี่ยมกระตุ้นเนี่ ย, ม, ยมันทํา ง, งาน<ม>คนบางคนเนี่ยจําหนังสือที่อ่านได้เนี่ยสองร้อยเล่มเนี่ย ม, มันจําได้ยังไง<ม>คนบางคนเนี่ยให้ขึ้นเคยเฮลิคอปเตอร์นะดูทุกอย่างนะที่เห็นนะเพียงแค่ว่าเดี๋ยวเราวาดรูป ม, มันวาดรูปได้เหมือนเลยคือคือมันเหมือนกับว่าเป็นสมองหมือนกับกล้องถ่ายรูปอ<ม>แต่ถ้าเป็นความสามารถเล็กน้อยของจิตนะไอ<ม>ความประสบการณ์ที่เรา การพบมาในวัยเด็กวัยทารกเนี้ยมันไม่เคยหายไปนะมันอยู่อยู่ที่ว่าเราจะกู้มันขึ้นมาได้หะป่แต่ตอนจะตายเนี่ยมันจะมีโมเมนต์หนึ่งนะที่คนส่วนใหญ่พบก็คือไอความทรงจำต่างๆเนี่ยที่เคยสะสมไว้ในวัยเด็กมันโผล่มาอันนี้คนที่ใกล้ตายคนที่ผ่านประสบการณ์ใกล้ตายที่เรียกเนียเด e กเอ็กซ์เ e ียร์เรนซหลายคนเนี่ยี่บ้สิเอร์เซ็นเนี่ยจะเจอประสบการณ์นี้ เป็นคนที่หัวใจหยุดเต้นหรือคนที่หมอทําให้หัวใจหยุดเต้นก่อนที่จะผ่าตัดใหญ่เนี่ยมันจะมีเห็นตรงนี้คนที่ฆาดตัวตายหลายคนเขากเล่าว่าตอนจะตายเนี่ยนะมันมีประสบการณ์ขเก่าสมาัยวัยท้าโลกในโผลขึ้นมาพรั่งพรูมันเร็วมากนะบางทีช่วงเวลาแท่ไม่กี่นะัดไม่กี่วินาทีมันออกมาสารพัดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันประกฏการณ์ที่เราเรียกว่ากรรมมาอารมณ์ภาษาฝรั่งเนี่ยเขาใช้คําว่า live review มันจะวนะิ v i e w นคือมันจะทบทวนมันจะย้อน เพราะฉะนั weekend, ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมนเป็นเครื่องเครื่องยืนยันหรือหลักฐานสรสนุนว่าประสบการณ์ทุกอย่างของเราทางตาวิจิตมงได้ยิ่งกายเนี่ยใจเนี่ยมันไม่หายไปไหนแต่ว่ามันเก็บได้ยังไงเราไม่รู้แต่มันเก็บได้เยอะมากมันก็คงเหมือนกับคาร์ดิ้นหรือว่าอะไรอะไรคราวใช่ไหมคราวแต่ครามันใหญ่ใช่ไหมแต่จิตนี่นะมันมันจับต้องไม่ได้แต่มันเก็บทุกอย่างนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความอย่างไรหมายความว่าตอนที่เราจะตายเนี่ยเราจะเราเราไม่สามารถจะควบคุมได้เลยว่าอะไรมันโผล่ขึ้นมาบ้างหรือเป่าถ้าถ้าชีวิตเราเนี่ยมันมีแต่ความดีมันก็มีแต่เรื่องดีๆให้ปรากฏแต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องที่ไม่ดีแล้วมันโผล่ขึ้นมาใช่ป่ะมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ฝังใจเราเอาไว้มันโผล่ขึ้น ม, มาอาจจะเป็นความเจ็บปวดที่ถูกกระทำํำพอโผล่ขึ้นมาโรกรธแค้นถูน ยืมเงินสามหมื่แล้วไม่จ่ายไมคนะือยี่สิบปีสาสิบปีก็ไม่เครยือนะอาจจะลืมไปแล้วมักโผลมาตอนนั้นนะโอ้โหถึงตอนนี้คุณต้องใช้สติแล้วนะคือรู้ทันแล้วก็วางเขาเรียกว่าสติมันทำให้เราเห็นไม่ก็เป็นเป็นนะเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางเพราะนี่การเจริญสติเนี่ยการภาวนามันช่วยมากในการที่จะทําให้เราสามารถจะรับมือกนะับอะไรก็ตามก็ไม่รู้ว่าที่มันอาจจะเกิดขึ้นมา ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีนเมื่อวานเมื่อวนซึงก็พูดไปแล้วนะว่ากรรมนิมิตเนี่ยไอ้ตอนมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยตอนใกล้กาเนี่ยเราเรียกว่ากรรมนิมิตนะคือภาพหรือเสียงที่เกี่ยวการกระทำในอดีตมีทั้งประทับใจและฝังใจประทับใจก็เป็นกรรมที่ดีเช่นอาจจะไปสังเวยชรีสถานแล้วก็ติดตาตรึงใจนะ อภาพต้นพระศรีมหาโพธิ์ตอนจะตายเนี่ยนะเห็นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยปรากฏขึ้นมาสองสว่างเนี่ยโอ้โหจิตเป็นกุศลเลยก่อนตายไอ้ที่ปวดที่เจ็บอะไรนี่ันหาหมดเลยนะแต่บางคนก็เห็นภาพาที่ตัวเองเคยสัตว์ที่ตัวเคยฆ่านะคนที่ตัวเองเคยทําร้ายและบางทีเนี่ยสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างก็ช่วยไม่ได้ภาพรุ่นหนึ่งเนี่ยท่าน มาบวชตอนแก่แล้วตอนจะตายท่านนึกเห็นแต่หน้าคนที่ท่านเคยฆ่าตอนเป็นคาราวารร่าพระเนี่ยนะที่อยู่แวดล้อมเนี่ยพยายามนะสวมดมนต์น้อมใจท่านให้นด้ถึงพระนตรตะไทรแต่ใจท่านนึกไปไม่ได้เนี่มันเห็นแต่หน้าคนตายแล้วก็กลัวตื่นตระหนกอย่างเงี้ยนะก็มีเศษปลายอบายคือใจมันไม่รับเลยอนะเพราะว่ากรรมที่มันทําเป็นอาชินหรือกรรมที่มันทําแบบรุนแรงเนี่ยมัน มันฝังใจแล้วมันมันแสดงอาการออกมาใช่ไหมบางทีเนี่ยได้ฟังอะไรนะออารกินกรรมมันก็บิดไปเป็นอย่างอื่นหลวงปู่ ด, ดูขกองว่าก่ทนเดวถ้าเร า, ามีผู้ชายเหมนแกคงมีอาชีพจับปลานล้วก็คงทรมานปลามากตอนจะตายน้องชายก็มาบอกอรหังตามธรรมเนียมบอกว่าชายผู้นั้นเนี่ยบอกว่าในใจนมันนึกถึงปลาในกระชัง บอกอะไรหังนะซือซึ่งปลาใกระชังภาวนาพุโทโธนะก็บอกว่าเนี่ยพอบอกพอดิอง้งพอน้องบอกให้พุทให้ภาวนาพุโทโธนะแกก็บอกน้องว่าเนี่ยไอส้มปลาเทพโพในครัวนะพุโทโธมันกลายเป็นปลาเทพโพเนี่ยคือกรรมเนี่ยมันบังเลยนะกรรมนี่มันบงนะันนบงหูเลยนะบังตาบังใจ บอกอะไรไปมันเป็ดปลาเหมือนกันหรือที่คนยอนเทียนมเียเนี่ยคนที่ชนไก่บ่อยเขาจะตายก็อามือแทะถ้าแทะมันก็ไก่มาชนอย่างถ้าแทนนิ้วแตกนะบันทีก็ล็องเป๊กพ่อเป็กพ่อยคนที่บอนไก่คนหนึ่งเนี่ยบอลไก่เมื่อก่อนสมัยก่อนบอลไก่จริงนะตอนจะตายเขาล็องเนี่ยเป๊กพ่อเป็กพ่อมันก็ผีผีไก่ชนมาสิงเนี่ยอันนี้ก็เรื่อมจำกัดนะคือทําความดีแค่ไหนรวยแค่ไหนนะตอนนี้นะมันไม่ช่วยเลยนะ แม้เหมือนก็ทาความดีแค่ไหนทําความดีแค่แต่ทําชั่วมากเลยนะมิงเหงินแค่ไหนนะมันก็ไม่ช่วยถ้าเกิดว่าเราทำความชั่วเป็นอาชีพเพราะนั่นทำบุญดีแล้วแต่ว่าก็อย่าทําชั่วด้วยนี่ก็นี่เป็นวิธีการเตรียมจิตในเพราวะใกล้ตายว่าหลังตายแนละ้ว อันนี้ท่านก็ทวนให้นะคะท่านใดที่ตามไม่ทันก็ตอนนี้ก็คงพอเห็นภาพแล้วนะคะเอ่อเปิดให้ถามในเรื่องที่ท่านสัญญาเป็นช่วงคูญญ่นี้ค่ะสคำถามค่ะเชิญค่ะต้อเอออยังในขณะปัจจุบันนี้นะคะเวลาคนส่วนใหญ่ที่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเอ่อพอหมอบอกว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนคล้ายๆว่าจะให้เวลาคนไข้ซัก ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงไม่เกินอาจจะขวาที่ยังจะให้ร่างอยู่ในห้องห้องสมมุติคือถ้าไม่ได้เสียชีวิตในห้องไอซียูแอะไรกูในห้องธรรมด า, านยี้ค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะต้องนําร่างคนไข้ลงไปเพื่อที่จะไปฉีดยาไปหลินนทีนี้เนี่ยระยะเวลาที่เหมือนกับว่าเอ่อเยังไงเระยะเวลาที่เราจะอยู่กับคนที่ทพื้นหลังไม <คน S 1> ่มา แบบดั บ, ด บ, ดบจริงๆอะเจ้าค่ะอย่างนี้เราจะบอกได้ยังไงเจ้าค่ะเราจะทราบได้ยงไรเราไม่ทราบหรอกแต่เราก็ที่เบรเนี่ยเขาถึงบอกว่าเขาจะเก็บศพโดยไม่แต่งเนี่สามวัน <c oughs> นะสามวันแล้วก็พบว่าคนบางคนเนี่ยนะศพไม่เน่าเนี่ยเป็นอาทิตศพอื่นที่นเน่าแต่ศพนี้ไม่เน่าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเลปโชเชยพวกอาจารย์กรรมฐานพวกเนี้ยก็าจะรู้จักประคองจิตอยู่ใน เพราะแสงกระจา่างคือฟรีส์เพราะแสงกระจ่างเอาไว้ไม่ให้ดับเพราะถ้ดับคือหมดก็จะฟรีสภาวะนี้ไว้เพื่อภาวนาซึ่งเทคนหมีพูดนี้เนี่ยทางพิเศษเขสอนกันแต่ว่าที่พเทราวาตเขาไม่สอนเพราะทางเทราวาตเราเน้นว่าให้ทําอะไรต่างๆเนี่ยก่อนก่อนตายไม่ใช่จะตายแล้วไปไปทําอะไรตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเออกรณีอย่างนี้อันนี้กรณีเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย ไม่รู้วิธีฟรสเนี่ยนะขอแสงกระเจาเนี่ยบกักประมาณสามวันแต่ว่าของเราสมัยนี้เนี่ยนะมันทําใันไม่ได้นะเพราะเรามีธรรมเนียมการฉีดยาแต่ว่าเราก็พยายามให้เขาเขามีหมายถึงผู้ที่จากไปอยู่กับเราให้นานที่นานเท่นาที่จะนานได้เพื่อภาวนาเพื่อสวดมนเพื่อน้อมใจนะยิ่งยิ่งครับแว่า เ, าเสียตอนตอนเย็นตอนค่ำเนี่ย มีบางรายเขาบอกเนี่ยเขาเขาขออยู่กับแม่เขาจนเช้าได้ไหมนะแต่ได้านนันตุนเนี่ยไม่ฉีดช่วงมันเลยสองชั่วโมงแล้วเขาไม่ฉีดนะเขาอยู่กับพ่อาอยู่กับแม่เขาเนี่ยตัวเขาทงสว่างภาวนานั่งสมาธินะเป็ดต้นหรือว่าถ้าจะมาแตะมาทําอะไรกับศพเนี่ยเช่นแต่งจะแต่งตัวก็บอกเขาว่าขอขออนุญาตนะจะเป็นเพียบบาทที่ไปลูกหลาน เขาเป็นลูกหลานที่อยากทำอย่างนั้นนะเปลี่ยนเนืเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวทําความสะอาดบอกเขาทํอนุญาตพูดเรื่องการฉีดนี่นะมันก็มีสมคือสมัยก่อนเนี่ยหรือแม้ทั้งปัจจุบันในหลายวัฒนธรรมในหลายประเทศเราจะพบว่ามันมีปรากฏการณ์ที่ว่าคนมีฟืนจากตายบางทีฟืนจากโรงบางทีประสบอุบัติเหตุนะรถยนต์ไปชนกระสุน นเนี่ยอย่างมี้เรามีลเนี่ยหมอเนี่ยฉันสูตรแ ก, กรีดหน้าผาเนี่ยปีดเดี๋ยวเจ้าตัวร้องเนยรอดไม่ตายนะไม่ตาย <c oughs> คือเขาหัใจเงื้อัวใจยู่เต้นเนี่ย <c oughs> ชีพจรก็ จ, จับไม่ได้นะเพื่อตายแล้วเนะนี่ยปีดร้องเลยรอดนะเนี่ยมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนงเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยอยายุเจ็ดแปดขวบป่วยตายเข้าห้อง ก็จนะทงแบบเจ็บนะคับพักเนี่ยว่าสองสมชั่วโมงเนี่ยก็จะมาฉีดฉีดยาเข็มนี้จิ้มไปที่ขาจเจ็บเจ็บจิ้มไปที่ร่างเนี่ยเท้ากันอีกเลยฟืน้น <c oughs> ตัวนี้ก็ยังอยู่เลยคือมันจีปรากฏการว่าคน ส, สมัยก่อนอย่างนี้เขาตายแล้วฟื้นนะ่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเคสที่เกิดจากตายแบบฉับพลันนะ <c oughs> แต่ตายสมัยนี้เ <lang> น <ngày> ี่ยถ้าตายเพราะมะเร็งหรือตายเพราะโรคหัวใจเนี่ยะคือร่างกายเนี่ยมันเสื่อมไปหมดดิน <hors> ต <tutaj> <im> vale ั้งไฟลงแตกหมดแล้วเนี่ยนะมันฟื้นกลับมาไม่ได้แต่คนที่ตายแบบฉับพลันเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นก็มีไม่จะน้อยเพราะว่าร่างเนี่ยมันยังพร้อมที่จะให้จิตเนี่ยกลับมาก็อย่างที่บอกเนี่ยว่าคนเราสมมติตายไปแล้วเนี่ยจิตมันยังอยู่ไงถ้าจิตยังไม่ดับเนี่ยเราจะเกิดว่าจิตมันกลับมาและร่างมันพร้อม ยังยังไม่ยังไม่ไมตายสลายระในระ น, นาบแบบดีนน้ำไฟลมเนะโอกาสล่างนั้นจะฟื้นขึ้นมาก็มีซึ่งส่ว น, นใหญ่เกิดขึ้นกับคนที่ตายแบบฉับพลันใช่ค่ะ<ข>เคยอ่านสารคดีเขาบอกว่ามันมีสัตว์บางประเภทเหมือนกันค่ะที่พอเจอภาะวะคุกคามเนี่ยแล้วมันโกลัมากๆเนี่ยมันจะแข็งเป็นเหมือนแกล้ตายอะค่ะแล้วมันเหมือนตายจริงๆเลยอะคือแบบตัวมันแข็งเลยค่ะใครไปดูก็จะเหมือนกับมันมันไม่มีลมหายใจมันจะเหมือนตายแล้วจริงๆอะค่ะ แล้พอภาวะอันั้นมันหายไปมันก็จะค่อยฟื้นคืนกลับมารุ่นเขาเลยเข้าใจว่ามันร่างกายอาจจะมีกลไกลแบบนั้นว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุจุนแรงเนี่ยเออร่างกายมันแบบเออมันมันฟรีสตัวเองไปช่วงขณะหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีโอกาสฟื้นกลับมานะคะแต่ถ้าอย่างที่เป็นแบบเรื้อดลังหรือว่าเป็นเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยะยากการเอาให้ชัวร์กี่วันครับพี่ <laughs> สำหรับคนทรรมดาพวกเรานี้นะเอ อ, เ อ, อไม่ต้องเอาเขี่ยเข้าไปฉีดอะไรเงี้ยสอาวันสองสวันนะ แต่สมัยนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เรื่องแบบนี้ในเมืองไทยแล้วเพราะเรามีประเภทณีฉีดอย่างนี้เราไม่ฉีดได้ในไทก็ได้ก็ได้ก็หลายคนหลายหลายครอบครัวก็ไม่ฉีดเขาก็ยินดีที่จะให้สมเนี่ยเน่าวันอที่สองวันที่หนึ่งวันเริ่มแข็งนะนะวันที่สองก็เริ่มอ่อนแล้วก็เริ่มเน่าเริ่มเริ่มอืดสองวันก็พอแล้วครับท่านสองวันก็ชัแล้วคือคือ ตอนนี้มันจะยากหน่อยค่ะถ้าไปตายในโรงพยาบาลค่ะแต่ถ้าตายที่บ้านเนี่ยคุณจะเอาไว้กี่วันกม็มีปัญหาหรือเ่าคะตั้งสมัยก่อนเขาจะเลยมีมีกรณีที่ตั้งสพทีบ้านด้ว ย, ยแต่ถ้าป่วยแบบัะเร็งนะไม่ต้องฉีดได้เลยฉีดได้เลยชัวชัวแต่ถ้าเป็นกรณีที่ถ่ายพรอเนี่ยนะหรือว่าเป็นโรคแบบอะคิวในอย่างอย่างแม่อาจารย์โกวินะแมอาจารย์วินเนี่ยก็ตาย ก็ไเรียกพาะมาพาะมาถึงต้องฟื้นนะอา้ารย์ภวิกเอกชัยนะอาจารย์เทมันนันท่เนี่ยแต่แต่ถึงจะจัดมาเลงหรืออะไรก็ตามก่อนหลังจากที่พี่ซ์ว่าที่อาทานพูดหมายความว่าพอร่างกายดับจิตถึงต่อให้ป่วยอย่างจิตมันก็ยังไม่ได้ดับทันทีถูกก็ควรจะเว้นระยะเวลาสักช่วงหนึ่งก่อนที่จะมาเริ่มทาอะไรกับ กับร่างกายเพื่อให้ช่วงนั้นเขาสงบติดเขาจะได้้อนกลับมาถึงสิ่งที่จะเป็นอุศหรือจะเป็นอุศอะไรก็คือแล้วแต่จิตของเขาที่ฝึกมาอ๋อเราต้องน้อมด้วยเราต้องสร้างบรรยากาศบรรยากาศสงบไม่ร้องห่มร้องไห้ใช่ใคือมีการสวดมนต์ถ้าถ้าเขาชอบสวดมนต์นะแต่แต่ยังน้อยไม่ใช่มาร้องห่มร้องไห้จับกอดรักอะไรเงี้ยซึ่งคือที่เคยอ่านมันก็ไม่แน่ใจที่เคยอ่านคืออย่างน้อยต้องครึ่งชั่วโมงที่เราไม่ควดจะเข้าไปยุ่ง ไม่หมายถึงว่าไปเข้าไปดูแลได้แต่ต้องให้เกลียดเขาลบไม่ไม่แตกเลยเออไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแต่หมายถึงว่าเออคือที่ไม่ให้แตกหมายว่าบางคนอาจจะแบบว่ามันมันลงทึ้งทำรุ่นทานี่ซึ่งก็อาจจะทําให้จิตเขาแบบว่าเหมือนกับตัวเองถูกกระทําอ่ะแต่ถ้าเราบอกเขาดีๆแล้วค่อยๆดูแลก็เปไปได้คืออ่นโยอ่อนโยน่ะเขาไม่ให้เขาตกใจอ่ะเออแต่โดยส่วนใหญ่มันจะมีประมาณว่า ตกใจมาเขย่าฟื้นเด็กไม่อยาให้ตายไออะไรอย่าเพิไปหรือว่ายากจะมาแบบแต่งสมบัติกันไปเท้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนเขาจะเหมือนกับจิตเคขายังไม่ไม่ไปเนี่ยเขาก็จะต้องเศ้าหมอเออกรมาณ้คาคือถ้ามาคิดว่าคนที่สมมุติตายไปแล้วเนี่ยลมมแล้วจิตเขายังมาอยู่นะตอนนั้นเนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยรับรู้อะไรเกี่ยวกับกายแล้วในทางกายภาพนะอะพูดอย่างนี้เพราะว่ามันก็มีหลายคนที่โคม่านะ แล้วก็พอเห็นตัวเนี่ยถูกปั๊ม<ต>เห็นตัวเองจากมุมสูง <c oughs> ถูกปั๊ม <c oughs> แต่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวด <c oughs> นะ <c oughs> หรือว่ากรณีของเป็ดเนี่ยที่ศับชายกายเล่าเนี่ยโอ้โคม่าแล้วเนี่ย <c oughs> สายได้ยงระย่างเลยแต่ว่าน้ําเสียงของเป็ดที่คุยทางโทรศัพท์กับศับชัยโอ้มันปกติมันสดชื่นแต่สายแสดงว่าเขาไม่รับรู้ความปวดที่เกิดขึ้นกับกายที่มันกำลังจะตาย <c oughs> อันนั้นคือเพราะาโคมา่า <c oughs> นะ เพราะตอนบอกว่าเนี่ยตอนทพรโคม่าเนี่ยนะจิตเนี่ยมันคงจะหลุดจากกายในระดับหนึ่งแล้วก็เลยสมฤทติธานแล้วก็เลยสมก็เลยอนุมาลว่าเนี่ยถ้าตายเนี่ยนะจิตมันก็จะไม่ไม่ไปรู้สึกเจ็บปวดหมายควาว่าเผาเผาร่างเนี่ยจิตมันก็ไม่ทุกนะนะแม้ <laughs> เราก็ไม่มีแบบธรรมเนียมเผานะ <laughs> เผาร่างจิตมันก็ไม่ทุกมีบางคนถามเอถ้าเกิดว่าบริจราคอวัยวะและ้วชาญนาวเนี่ยนะ เขาจะดียวแล้วออกมาบอมาบอกนะถ้าคิดแบบนี้ไม่ต้องเผาเพราเผานี่มันยิ่งดีกว่าซงซงเออเชิญค่ะอาจารย์นะคะตอนนี้มันมีทฤษฎีใหม่ว่าเมื่อตายแล้วอะประมาณสัก20นาทีนะค่ะอย่าโดนตัวเขาแต่ให้เอาน้ำเย็นมาไปแตะเนี่ยอะไรสักอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าเพื่อจะช่วยอะไรสักอย่างไอ้นี่เป็นยังไงจ๊ะค่ะ เอก็เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งได้ยินอาจจะมาจากวัชรยานแต่ว่ใชรยานทีต่ตมาได้ได้ศึกษาก็ไม่เหยนมีคือมันก็คงมีหลายทฤษฎีนะก็เวนะลาทำก็ได้เพราะว่าทำแล้วคนาทาสบายใจแต่ถ้าจะแตะเกตะตมาเราก็ทำด้วยความเคารพกับตมาว่าทำได้